ได้เป็นปุริสภาวะไปเรื่อยๆไม่ว่าชาติไหนๆอัตมาก็พยายามจะสืบเสาะแล้วก็พยายามค้นหาอยู่เหมือนกันเนี่ยในพระไตรปิฎกก็ตามในอะไรก็ตามอ่านๆแล้วก็อยากจะดูว่ามันมีชาติไหนบ้างไหมที่บางทีผู้เจ้าท่านตัดถึงชาติในอดีตของท่านนะ่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ย ว่าชาติไหนจะเป็นประเภทอิทธิภาวะมีบ้างไหมในชาติไหนยังยังค้นไม่เจอนะยังค้นไม่เจอส่วนใหญ่ก็แม้จะเกิดเป็นสัตว์ก็ยังเป็นสัตว์ตัวผู้อยู่ดียังไม่เป็นสัตว์ตัวเมียสัก ท, ทีนะแล้วก็มีคู่เวรคู่กรรมอย่างเช่นเนี่ยบ้านางพิมพาพญัาาง ยโสธราซึ่งตั้งกิตเอาไว้อันนี้อันนี้เป็นการตั้งจิตเอาไว้ของอดีตชาติของพระนางพิมพ์พนาะที่ตั้งจิตไว้จะเป็นได้ร่างเป็นผู้หญิงที่จะแบบว่าเนี่ยมาเป็นคู่คู่ผูดพรพ่อก็คู่บารมีผู้แม่พ่อก็คู่เวรคู่กรรมนะที่จะตามพระพุทธเจ้าอ่ะ ไม่ว่าชาติไหนๆนเนี่ยจะคอยตามมาอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการตั้งจิตนะไปตั้งจิตเป็นได้ล่างเป็นอิทธิภาวะอยู่เรื่อยก็ก็ได้มาอยู่เรื่อยเหมือนกันอันนั้นไปตั้งอันนั้นไว้นะที่จะตามพระพุทธเจ้าอ่ะไม่ว่าชาติไหนๆเนี่ยจะคอยตามมาอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นการตั้งจิตนะไปตั้งจิตเป็นได้ล่างเป็นอิทธิภาวะอยู่เรื่อยก็ก็ได้มาอยู่เรื่อยเหมือนกันอันนั้นไปตั้งอันนั้นไว้ คือคือเรื่องของผู้ที่ดือ้อศีลปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะพอมันมีบุญบารมีมากพอจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าเรื่องเรื่องเลือกเกิดได้อะเรื่องเรื่องเลือกเกิดได้นะอันนี้คุณยกไว้เลยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลือกได้สำหรับผู้ที่มีสภาวะจิตปัญญาที่ ที่ถึงขั้นแล้วเลือกได้คุณเชื่อไหมว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยจะเลือกเกิดเป็นผู้หญิงชาติไหนเนี่ยจะเลือกเกิดได้ไหมอ้าวทําไมจะไม่ได้ละเพราะว่าที่ท่านเกิดแต่ละชาติท่านก็เลือกเกิดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะเกิดไปเป็นไอ้นู้ไปเป็นไอ้นี่ไปเป็นไอ้นั่นไปเป็นอะไรต่างๆถ้าเลือกเกิดทั้งนั้นนะเพราะจริงๆนั่นไม่เกิดก็ได้แล้วอะก็นั่นไงกําลังยะพูดให้ฟัง ท่านก็เอาสภาวะเด่นดีกว่าเพราะว่าที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วท่านตั้งเป้าไว้เนี่ยท่านต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านก็สะสมปุริสภาวะให้มากที่สุดจนท่านได้ถึงถึงชาติสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่ามหาปุริลักษณะใช่ไหมคือลักษณะที่เราถือว่าเลิศที่สุดยอดที่สุด ของของความเป็นบุรุษเนี่ยสภาวะของบุรุษเราเลยเรียกว่ามหาบุรีลักษณะซึ่งมหาบุรษลักษณะเนี่ยคุณอย่าไปฟังแบบข่าวนุ้นพูดให้ทีแล้วอย่าไปเอาแต่ไอ้รูปภายนอกกันเลยถ้าเอารูปภายนอกแล้วแหม ด, ดูแล้วจะไม่ค่อยเหมือนผู้เหมือนคนสักเท่าไหร่นะฟังแล้วมันโอ้โหโอ้โหอะไรนะส้นเท้านี่ยาวยื่นเงี้ยหน้าเป็นกรอบ เป็นกรอบหน้าอย่างนี้อ้โหูตัวสูงใหญ่ขนาดจงก็อย่างนี้อ้พูดไปแล้วมันมันมันแปลกแปลกพิลึกอะเอ่อเอาเหอะเอาเหอะก็ไอ้บางอย่างมันก็ดูไม่แปลกแต่ไม่ไม่อยากให้ไปไปยึดที่ตรงนั้นคืออันนั้นอะมันเป็นสัจจริงมันเป็นความจริงอย่างหนึ่ง แต่อยากจะให้เข้าใจเป็นธรรมทิฏฐานมากกว่าไม่อยากให้เข้าใจเป็นแต่ไอบุคลาทิฐานที่เป็นรูปภายนอกซึ่งจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันนะจริงๆแล้วต้องไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้อาตมาอยากจะให้คุณเข้าใจเพราะว่าคนที่ถามมาเนี่ยเรื่องของปุริสภาวะกับอิทธิภาวะเนี่ยทำอย่างไรจะเอาชนะความเป็นอิทธิภาวะได้ อัตามาจะบอกว่าว่าคุณต้องรู้สภาวะปุริสภาวะกับอิทธิภาวะก่อนพอคุณรู้แล้วเนี่ยพูดง่ายนะก็คือพยายามอย่าไปทําอิทธิภาวะแล้วก็พยายามทําปุริสภาวะนี้ให้มากแม้คุณจะเป็นผู้หญิงเนี่แหละเพราะอันนี้เป็นสภาวะของจิตใจของจิตวิญญาณในด้านที่ดีนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นความผิดปกติที่บอกว่าวิปริต บิบิลิต์น่ะมันคิดในทางมิจฉาทิจีคิดไปในทางกิเลตันหาอันนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วบิปิลิตแต่อันนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นร่างผู้หญิงก็ตามเราก็พยายามสั่งสมสภาวะจิต ท, ที่เป็นปุริสภาวะนะอย่างเช่นอาตมาจะให้คุณลองคือคืออันนี้จะเอาตัวอย่างที่ ลกึกีพูดไปถึงมหาบุรีลักษณะของพระพุทธเจ้าที่พู้เจ้าเนี่ยท่านจะเนี่ยได้บุคลิกได้ความเป็นมหาบุรุษนะได้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้อาตามาจะให้คุณดูว่าท่านไปทำอะไรมาแล้วท่านถึงได้ลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นการฝึกฝนเป็นการสั่งสมชีวิตความเป็นอยู่ของท่านท่านสั่งสมอย่างนี้ท่านทาอย่างนี้แล้วท่านถึงได้ มหาปุริสลักษณะอย่างนี้นอันเค่ยกตัวอย่างอันนี้อาจจะยกไม่หมดนะจริงๆปุริลักษณะเนี่ยของพระพุทธ เ, เจ้านี่มีส2ประการนะแต่อันนี้จะเอาบางตัวอย่างมาให้เราฟังดูเช่นพูเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยในชาติก่อนๆเนี่ยนะท่านเคยดูนะท่านเป็นผู้สมาทาน มั่นคงในกุศลธรรมไม่ถอยหลังในการปฏิบัติกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไม่ถอยไม่ถอยหลังในการทำทานไม่ถอยหลังในการถือศีลไม่ถอยหลังในการรักษาอุโบสถไม่ถอยหลังในการปฏิบัติ ด, ดีแก่มารดาบิดาสมณะพราหมณ์ไม่ถอยหลังในการเคารพผู้ใหญ่ในสกุลนะไม่ถอยหลังใน ธรรมะอันเป็นกุศลชั้นสูงอื่นๆ น, นี่สิ่งต่างๆที่ท่านพูดมาเนี่ยนี่่หละคือปุริสภาวะที่พึงกระทามันจะเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นผู้หญิงก็ตามถ้าจะอยากสั่งสมปุริสภาวะนะตอนนี้เอาพูดง่ายๆที่เราฟังมาเนี่ยหัดทำบุญนำทานให้มากขึ้น ถือศีลให้มากขึ้นจากจากปกติของเราคําว่าไม่ถอยหลังนี่แหมคือไม่ถอยหลังมันมีอยู่สองอย่างเท่านะอย่างหนึ่งคือเอ่ทรงอยู่กับที่ให้ได้ใช่มหมอา่าอีกอย่า ง, งก็ต้องก้าวไปข้างหน้ามีอยู่แค่สองอย่างนะละ่าตามาเคยพูดให้ฟังแล้วทรงอยู่กับที่หมายความว่าไงทรงอยู่กับที่หมายถึงว่าธุวสวันเนี้ย ทุกๆวันเนี่ยกิเลสมันต้องเล่นงานเราทุกวันแหละใช่ไหมคุณจะทรงอยู่กับที่ได้คือสมมติว่ากิเลมันเล่นงานเราสิบกิโลเป็นไงจะทรงอยู่กับที่ได้คือคุณต้องสู้กับกิเลสไอ้ที่มันจะมาเล่นงานเราสิบกิโลนี่ให้ได้สมมติกิเลมันอยากให้คุณหอบวงนะวันนี้เออหอบวงสักสิบบาทแล้วกันอ่าคุณจะกีิโกงคุณจะเอาลัดเอาเปียบใครอะไรก็แล้วแต่จะให้คุณ ต้องหอผวงเอา10 บ, บาทนี้ไวอันนี้ถ้าคุณจะทรงอยู่กับที่อ่ะเป็นไง10บบาทนี้บบนก็ต้องก็ต้องไม่เอาใช่ไหมคือง่ายๆคุณต้องเสียไป1ิ บ, บาทอะ่ะคุณต้องสูญเสีย1ิ บ, บาทนี้ไปคุณถึงจะอยู่กับที่ได้ถึงจะไม่ถอยหลัง <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไม่ถอยหลังได้นะจะต้องรู้กิเลสตัวเอง วิกิเลสเนี่ยมันจะฉุดคุณลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่จะทรงอยู่กับที่ได้คุณต้องสู้ให้ชนะกิเลสลายวันเนี่ยนะกิเลสลายวันที่มันเล่นงานคุณเนี่ยคุณต้องมันฉุดคุณห้าสิบกิโลคุณก็ต้องดึงตัวคุณเอาไว้ให้ได้ห้าสิกิโลอย่าให้มันฉุดลงไปคุณถึงจะทรงอยู่ได้นี่ยังไม่พูดถึงบุกไปข้างหน้านะอถ้าคุณอยากบุกไปข้างหน้านี่แสดงว่าแทนที่คุณจะชนะกิเลสห้าสิบ กิโลเพราะวันฉุดคุณเนี่ยวันเนี้ยฉุดคุณ50กิโลคุณต้องเป็นไงคุณต้องทาให้ได้มากกว่าห0ขึ้นไปเป็นห้า2 53อหบหาคุณถึงจะถือว่าเดินไปข้างหน้าเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยคุณฟังดูโอ้โหผู้เจ้าบอกต้องถือศีลนะต้องทำทานนะต้องรักษาอุโบสถนะศีลแปดเนี่ยเนี่ยต้อง ดูแลพ่อแม่สมณะพราหมณ์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้่นี่แค่ตัวอย่างนี่พอจะมองเห็นปุริสภาวะบางไหมอย่างว่าโอ้โหต้องทําอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าท่านก็บอกเ่ยเนี่ ย, ยท่านทำอย่างนี้แล้วแล้วผลที่ตามมาท่านถึงค่อยได้เนี่ยได้ลักษณะอย่างนี้เพราะทำอย่างนี้อา่านะสมมุติว่าจะได้อะไรอะ่ะอา่าตา่าง ตาโคอะไรอย่างเงี้ยได้มาเพราะเพราะผลจากการปฏิบัตินะไม่ไม่ใช่ได้เพราะว่าพยายามไปทำตาให้เหมือนโค <c oughs> แล้วถึงจะได้ตาโคมาไม่ใช่อย่างนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวว่าต้องไปทำตาให้เหมือนโคเออนั่นแหละเนี่ยไม่ถลึงตาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยู่อันนึ <c> ่ <oughs> <c oughs> เ, เนี่ยพระเจ้าท่านจะมีเลยอ่าอันนี้คุณคุณคุณพอจะเริ่มนึกถึงปุริสภาวะ ได้ทีละนิดเทียหน่อยอันเดียรลองอ่านนั่นอยู่นี่ให้ฟังนะอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านเนี่ยบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดเสียวจัดการรักษาปกครองป้องกันโดยรำรนั่นเนี่ยทมทานพร้อมกับวัตถุเป็นอนมากให้แก่ประชาชนทั้งหลายเนี่ย yeah. จริงๆแ้วหนีไม่พ้นเรื่องทำบุญทําทานทําดีถือศีลอะไรเนี่ยมันหนีไม่พ้นพวกนี้หรอกก็นี่แหละคือปุริสภาวะเพราะนั้นความไม่ใช่ปุริสภาวะหรืออิถิภาวะคืออะไรไม่ทำทานอาคือเลยดังต่างนี่แหละไม่ทำทานไม่ทำบุญอา่าแล้วก็อะไรอีกอไม่ถือศีลอนั่นแหละ เียคนอื่นเขามีภัยเขามีความหวาดเสียวเขามีอะไรนะเราก็เออช่างหัวเอง <c oughs> นะข้าไปช่วยด้วยนะเรื่องของเองคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยให้รู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นอิธิภาวะนะอาตมาถึงบางทีบอกว่าใช้ว่าภาวะที่ air, อ่อนแองอิธิภาวะเดี๋ยวพูดอย่างนี้คุณอย่าไปบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยอดทนยิ่งกว่าผู้ชายหลายเท่าใช่ม ไอ้ความอดทนนั้นน่ะจริงๆแล้วคืออะไรคือปุริสภาวะกูเข้าใจไหมอ่าความไม่อดทนต่างหากละ่ะที่เป็นอิทธิภาวะเนี่ยคุณคุ ณ, ค, ณคุณต้องเข้าใจคือคืออย่าไปคิดเอาแต่ไอ้ดอกล่าโอ้โหผู้หญิงอะไรนะทนที่จะคลอดลูกคนนี้ทนที่จะตั้งท้องทนที่จะ เอ๊ถ้าอย่างนี้ชักไม่ใช่แล้วนะถ้าอดทนแบบนี้ไม่ใช่นะอดทนอย่างนี้มันมันจะเป็นแบบกิเลสตัณหาไปแล้วนะถ้าอดทนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสภาวะปุริสภาวะนะชัดขึ้นไปอีกใหมว่าว่าที่บอกว่าอดทนหรือว่าบอกว่าแหมเข้มแข็งอะไรงนี้ต้องไปในทางที่สัมมาทิฏฐิต้องไปในทางที่ไม่ใช่เป็นกิเลสนะ ถ้าคุณแยกประเด็นพวกนี้ไม่ออกคุณก็เดี๋ยวสับสนอีกละเริ่มไปอ้าวผู้หญิงเขาอดทนกับผู้ชายนะอ้าวคุณไปอีกละอดทนยังไงละ่ะถ้าอดทนในทางที่ดีที่ถูกต้องเราถือว่าเอออย่างนั้นใช่บุริสภาวะแต่อดทนไปในทางโอ้โหยิ่งมีจิตหลงหลงผิดเหมือนนางสุ ป, ปวาสาเงี้ยผู้เจ้าถามว่าเป็นไงเนี่ยขอลูกตั้งท้องตับเจ็ดปีเจ็ดวันหรือเท่าไหร่นะ โอ้โหผู้เจ้าถามไปยังยินดียังพอใจโอ้ผู้เจ้าอุทานเลยว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าอดทนนะนะ เ, เพราะอย่างนี้นี่โอ้โหมันยังหลงอยู่ยังติดอยู่กับกับความยินดีที่ผิดผิดนะแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะโอ้โหทนได้อย่างนี้ซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ปุริสภาวะอย่างนี้คืออิทธิภาวะ ชัดๆเลยแหละอ่าอ่แล้วตอนนี้เร า, เราลองฟังสภาวะอื่นอีกนี่พเจ้าบอกว่าเนี่ยเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นเว้นจากปาน า, าติบัตแล้วก็วางทันทะคือคือคือวางอะไรวางพวกอาวุธวางพวกการที่จะเป็นลงโทษลงทันอะไรใครเขาทำร้ายเขา อ, อะไรพวกเนี้ย ว, วางสายตาแล้วมีความละอายมีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงวันเห็นแม้ใจที่เมตตากรุณาคนอื่นเป็นปุลิศสภาวะใจที่เราเนี่ยไม่มีน้ำใจกับคนอื่นเขาอาคิดโกรธคิดเกียดชังคิดไม่ดีอะไรต่างๆอิทธิภาวะอ่าหรือเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้ทำตนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภคอันปณีตมีรสอร่อยให้น้ําที่น่าดื่มแก่คนทั้งหลายนี้ยังยังเป็นทานใช่ไหมลักษณะของการทานการให้แต่การให้ทานการอะไรพวกนี้ต้องให้ของที่เหมาะสมหรือของที่ถูกต้องอยู่นะไม่ใช่อย่างที่บอกอะ่ะให้อะไรที่มันผิดผิดไม่ดีเป็นวิชาทิฏฐิอันนั้นไม่ถือว่าเป็นบริสภาวะเพราะว่าให้แบบงงๆโซเซไม่มีปัญญา ยิ่งให้มันยิ่งยิ่งแย่นะคนไม่มีปัญญาเราก็ต้องถือว่าคนมีปัญญาเป็นบุริสภาวะไอคนโง่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอิทธิภาวะไปต้องต้องให้ชัดหรือนี่ท่านบอกว่าเนี่ยเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังข า, าวัตถุสคือมีการให้ทานการกล่าวคําอันเป็นที่รักเพราะนั้น ใครที่พูดจาหยาบๆยาบให้รู้ว่านั่นเป็นลักษณะ ข, ของอิทธิภาวะคนที่พูดจาอันเป็นที่รักเนี่ยให้คนอื่นเขาเขาอะไรอะรู้สึกดีๆนะอันนี้เป็นปุริสภาวะหรือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์การทำตัวเองให้เป็นประโยชน์นี่เป็นปุริสภาวะการทำให้ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ ถือว่าเป็นอิทธิภาวะเนี่ยแล้วการทำตัวให้เข้าใจการสมาน ส, สามัคคีกับคนอื่นไม่ไปโกรธไม่ไปเกียดชังไม่ไปถือสาใครง่ายวันผู้แค่นี้คุณรู้แล้วว่าอิทธิภาวะคืออะไรถือสาเพ่งโจษแล้วก็อะไรอ่ะขี้ขงูยิตลำคาญคนนั่นคนนี้นีนนน่อิทธิภาวะถ้าคุณอยากจะเกิดเป็นผู้หญิงไปทุกๆชาติคุณก็สั่งสมพวกนี้มากๆเข้า <c oughs> คงก็จะได้แน่เป็นแน่นอนนะไม่ผิดพลาดนะหรือเนี่ยท่านบอกว่าว่าเราเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัฏฐะเนี่ยประกอบด้วยเนื้อหาสาระอัฏฐะประกอบด้วยธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากเรายกย่องบูชาธรรมเป็นปกติเป็นเป็นผู้นำเอาประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย เนี่ยท่านจะพบใครท่านจะเจอใครท่านคิดในแง่บวกกับคนเพราะฉะนั้นความคิดในแง่บวกในทางที่สัมมาทิฐินะในทางถูกต้องความคิดในแง่บวกกับคนนี่คือปุริสภาวะความคิดในแง่ลบกับคนเขาเนี่ยเป็นอิทธิภาวะอ่าหรือนี่เราตั้งใจสอนเรื่องศิลปะวิชาจรณนะและเรื่องของกรรม ด้วยมนัสิการว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายจะพึงรู้เรื่องเหล่านี้ได้รวดเร็วจะพึงสำเร็จผลได้เร็วไวไม่ต้องทุกข์ลำบากนานมีใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นช่วยแนะนำคนอื่นช่วยบอกสอนคนอื่นที่ท่านพูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นผู้พระเจ้าแล้วนะที่ที่อัตมายกว่าคืออันนี้ท่านพูดบอกว่านอดีโอโหอดีตชาติไม่รู้ว่าชาติไหนๆของท่านเนี่ยท่านสั่งสม อุลิสภาวะพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นมีใจที่อยากจะให้คนอื่นพ้นทุกข์อ่ะไม่ใช่แม้มาเกิดเป็นชาติเป็นเจ้าชัยศิทธษฐะแล้วถึงจะอยากมาช่วยคนไม่ท่านสังสมมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินะที่อยากจะช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์โดยที่ท่านอาจจะไม่ใช่เริ่มจากไอใหญ่หญหญโตๆเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของศิละปะเรื่องของวิชา ก็เรื่องธรรมมาหากินแม่เนี่ยเรื่องธรรมาหากินที่สุจริตเออเราก็ช่วยแนะนําช่วยบอกสอนเพื่อที่จะให้เขาเออจะได้ไปธรรมาหากินสุจริตได้ให้เขาพ้นทุกข์ของเขาได้เนี่ยท่านมีใจพวกนี้ที่ท่านสั่งสมมาวันใจที่เนี่ยเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นนี่เป็นปุริสภาวะเอออันนี้ท่านบอกว่าท่านเคยเป็นคนที่ ชอบเข้าหาสมณะแล้วก็พราหม์เพื่อที่จะซักถามซักถามเนี่ยอย่างเช่นท่า น, นบอกว่ากรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนเป็นอกุศลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าหาการที่จะซักถามจริงๆก็คือการศึกษานั่นเองปุริสภาวะคือการที่จะพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนอิทธิภาวะก็คือไม่เอาไม่สนบางทีเนี่ยนะจะได้ยิ่งยิ่งฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมหรือได้รู้อะไรเพิ่มไม่เอานี่นี่นี่อิทธิภาวะเพราะฉะนั้นเป็นบุริสภาวะคือสังเกตไหมล่ะเพ่อท่านชอบพูดบ่อยว่าแม้แต่พออระอรหันเนี่ยยังในในเอายังใกล้ในการฟังธรรมเพราะว่าเนี่ยท่าน ต้องสั่งสมสภาวะพวกนี้มันจะยินดีเลยนะอยากจะบอกคุณว่าแม้กะหายเลยด้วยซ้ำเลยต้องใช้คําว่ากะหายใครอยากในธรรมนะอันนี้มันเป็นแขนงไปต่างๆนะอาตมาพูดปุลิสสภาวะโดยที่เอาที่พระเจ้าท่านตัดไว้ในอดีตเนี่ยเอามาให้คุณฟังเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจปุลิสภาวะต่างๆที่มันกว้างเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินคือคนเราเนี่ยจะสั่งสมมาเป็นตัวตน ได้เป็นร่างผู้ชายหรือได้ล่างเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเกิดจากองรวมนะคุณองรวมของคุณโดยส่วนรวมเนี่ยคุณสั่งสมธาตุของความเป็นปุริสภาวะไวมากพอเนี่ยคุณถึงได้เป็นผู้ชายแล้วใครไปสั่งสมองรวมธาตุที่เป็นอิทธิภาวะเนี่ยมากกว่ามันออกมาเป็นยีนหรือออกมาเป็นอะไรอะที่ที่อ ก, กับ y าอะไรเนียที่มัน ปะผสมกันแล้วก็คนผส ม, มที่ออกมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะนี่แหละมันเกี่ยวกับการ ค, คุณสั่งสมอไอ้อะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งออกมาเป็นองค์รวมแบบนี้แล้วคุณก็ถึงต้องมามีร่างเป็นผู้หญิงแบบนี้เพราะฉะนั้นองค์รวมเราตั้งแต่เช้า จ, จนยังคืนแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันโอ้โหคุณทําอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะใช่ไหมจะคิดจะทำํำไอโน่นทําให้นี่เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ในวันเนี้ยในวันเนี้ย ใ, ในแต่ละวันแต่ละวัน องค์รวมของคุณน่ะคุณคุณได้อะไรออกออกมาแหละใช่ไหมล่ะถ้าคุณได้ปุริสภาวะเป็นองค์รวมมากอ้าวยีนของคุณอะไรคุณมันก็ต้องไปในทางปุริสภาวะแหละมันไม่ไปทางอิทธิภาวะแล้วคุณก็สั่งสมไปเรื่อยเนี่ยสั่งสมไปถึงเมื่อชาติเนี้ยแม้ว่าคุณได้ล่างเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณสั่งสมจนกระทั่งปุริสภาวะคุณมากพอถ้าคุณตายจากชาตินี้ใช่ไหม แล้วคุณไปเกิดชาติใหม่อ่ายีนของคุณเซลล์ของคุณหรืออะไรนี่มันเป็นปุตริสภาวะแล้วอะคราวนี้คุณไปหาร่างใหม่เกิดแต่พูดง่ายตามวิบากบุญที่คุณสั่งสมมามันมีกำลังมากพอแล้วคุณก็ได้แล้วอันนี้คุณอยากจะได้ร่างผู้ชายคุณก็ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเยเนี่ ย, ยพูดโดยองรวมให้ให้พวกคุณเข้าใจ หรือนี่ยังมีอีกท่านบอกว่าตถาคตเป็นผู้ไม่มีความโกรธหมายถึงในอดีตชาตินี่ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้จะถูกคนหมู่มากด่าว่าเอาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่จองเวรไม่ทำโกรธไม่ทำแค้นเคืองไม่ทำเสียใจให้ปรากฏ นี่ท่านพูดถึงอดีตชาตินะถ้านไม่ได้พูดถึงว่าท่านเป็นผู้วิจ้าแล้วท่านมาไม่โกรธใครไม่ใช่เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ น, นั้นเนี่ยท่านโดนเขาด่าว่าดูอะไรท่านก็พยายามพยายามที่จะปรับจิตปรับใจตัวเองไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดไม่ไปแค้นไม่ไปเครืองอะไรเขานี่คือบุริสภาวะนะหรือเนี่ย บอกว่าเนี่ยตถาคตเคยเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆได้เป็นผู้พาให้พวกญาติมิตรที่มีใจดีแต่สูญหายพลัดพรากกันไปนานให้กลับมาพบกันได้อีกนำมารดากับบุตรให้พบกันนำบิดากับบุตรให้พบกันนำพี่น้องให้มาพบกันนำพี่ชายน้องสาวให้พบกันทำพวกเขาให้ได้อยู่พร้อมเพียงกันแล้วก็ชื่นชม อ่านี่เป็นปุริสภาวะอีกแล้วที่ไงคนอื่นเขามีทุกมีการพรัดพากมีอะไรใช่ไหมช่วยอะไรได้ช่วยหรือนะได้ใส่ใจในมหาชนที่ควรสงเคราะห์ควรสงเคราะห์ก็คือควรช่วยเหลือรู้จักผู้ที่มีฐานะเท่าเทียมกันและฐานะที่ต่างกัน รู้จักว่าผู้มีฐานะเยี่ยงนี้ควรช่วยเหลืออย่างนี้รู้จักว่าผู้มีฐานะพิเศษเยี่ยงนั้นควรสักการะอย่างนั้นแล้วก็ลงมือทากิจช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้นอันนี้กำลังจะบอกปุริสภาวะคือการฝึกรู้จักประมาณอา่คนนี้เป็นอย่างนี้อาช่วยเขาในลักษณะนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างงน้นอาช่วยเขาในลักษณะอย่างงน้น มีจิตใจที่จะช่วยเหลือแต่พยายามประมาณประมาณให้มันพอเหมาะพยายามให้ประมาณให้มันพอดีจะไม่แบบตรงโตงเพราะจะช่วยเหลือไปตามความเหมาะสมไงเพราะความเหมาะสมการรู้จักประมาณเป็นปุริสภาวะการทําอะไรตรงโตงเนี่ยไม่ใช่อ น, นั้นเป็นอิทธิภาวะดีใจมากเสียใจมาก <laughs> อิทธิภาวะ มีความเบิกบานมีความแจ่มใสแต่มันรู้จักประมาณไงให้พอเหมาะพอควรดีใจก็มีรู้ว่าเออเออก็ควรจะดีใจขนาดนี้ขนาดนี้เสียใจบางทีก็อา้าวเรายังไม่หมดกิเลสก็รู้อยู่ว่าเออมันก็มีแต่รู้จักร ะ, ะงับยับยัง้งอารมณ์จิตไม่ให้มันไป้โอ้โหเสียใจอะไรกันมากมายใหญ่กองเพราะคุณไม่ใช่อรหันนี่ แหมในชาตินี้ไม่เสียใจอะไรเลยเันก็ต้องมีแต่เรารู้จักควบคุมอารมณ์จิตของเราการที่ฝึกควบคุมอารมณ์จิตได้เป็นปุริสภาวะนะหรืออา้าวอย่างเช่นอันนี้ก็มีเนี่ยไม่คือจะไม่เป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตาวาใดๆเลยอันนี้ก็เกี่ยวกับเมตานั่นเอง หรืออันนี้อ่านี่เจอแล้วบอกว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านไม่เคยเลยที่จะถลึงตาดูใครๆไม่ค้อนตาดูเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นอิทธิภาวะชัดเลยใช่ไหมเออไม่ค้อนตาดูไม่ถลึงตาใส่ใครแม้ไม่ทำทาเป็นชำเลืองดูอะไรผู้หญิงเขาอะไรจะทไม้เขาเขาเรียกอะไร ชไม้าชายตายไม่ไม่ต้องทําเป็นชำเลืองดูนะเป็นผู้ซื่อตรงมีใจตรงเป็นปกติและดูใครก็ดูตรงๆงดูด้วยดวงตาอันเป็นที่รักคือไม่ใช่ดูด้วยความเกลียดชังดูด้วยความอิจฉาริษยาดูตรงๆก็คือ ด, ดูด้วยใจที่บริสุทธิ์น่แต่แต่อันเนี้ยที่อาตมาพูดว่าเ น, นี่ยชัดเลยเห็นถึงสภาวะที่ผ้าเป็นอิทธิภาวะเห็นไหม กริยาอาการตาอันนี้พูดเรื่องตาเยอะเลยค้อนมั่งถลึงตามั่งชํำเรืองมั่งอะไรอย่างนี้นี่เป็นสภาพอิทธิภาวะอา้าวอย่างอื่นๆก็มีอีกนะแต่ว่าคิดว่านี่ยกตัวอย่างคร่าวๆให้เราดูให้เราพอเข้าใจสรุปหน่อยนึงตรงที่ ถ้าเข้าใจเนี่ยปุริสภาวะแล้วแล้วก็เข้าใจอิทธิภาวะที่อาตมาพยายามจะบอกให้ฟังนี่นะรายละเอียดต่างๆไปไปคิดเอาเพิ่มเองก็คงจะคิดได้แต่คิดนะี่มันไม่ยากแม้คิดเนี่ยคิดให้เป็นปุริสภาวะแล้วเนี่ยนะหลายคนคิดเป็นปุริสภาวะได้แต่พอให้ไปปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติเมื่อคุณไม่ยอมปฏิบัติเนี่ยแค่คิด อันนั้นนะ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้นะเพราะกำลังไม่มากพอแล้วคิดแล้วต้องทำได้ถึงจะมีฤทธิ์มีแรงพอในทางด้านสั่งสมลงในจิตปัญญาเพราะคิดเนี่ยมันยังเป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความคิดมันยังไม่ได้เป็นปัญญาไม่ได้เป็นญาณเมื่อยังเมื่อเป็นแค่ความคิดเนี่ยเหมือนกับสายลมความคิดนี่เป็นเหมือนสายลมพิวพิ้ว แปรปรวนอ่อนไหวแปรเปลี่ยนแปลงง่ายความคิดของเราเปลี่ยนแปลงง่ายแต่ถ้าคุณสามารถทําความคิดคุณนี่ให้เป็นปัญญาให้เป็นญาณขึ้นมาได้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงจะหนักแน่นเลยจะมั่นคงเลยที่จะทําให้เราเนี่ยคุณจะได้ปุริสภาวะไหมก็เนี่ยความหนักแน่นความมั่นคงนี่ก็เป็นปุริสภาวะความ ความแค่ความคิดที่แปรปวนอ่อนไหวง่ายยังเป็นอิทธิภาวะนะเพราะฉะนั้นการที่จะได้เป็นปุริสภาวะขึ้นมาเนี่ยบางทีแม้แต่เราคิดเราตัดสินใจอะไรสิ่งที่ดีควรหนังแน่นมัน่นคงแต่ส่วนสิ่งไม่ดีอ่ะคุณจะแปรปวนง่ายนะ่ะอันนั้นอ่ะถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ดีนะแม้พอคิดขึ้นมาแล้วนะวันนี้เดี๋ยวแอบกินมื้อเย็นดีกว่า นะสมมุติว่าคนที่ไม่กินมื้อเย็นเนี่ยวันนี้แอบกินมื้อเย็นอีกว่าคิดคิดมาแล้วคิดเสร็จเอรู้สึกอยากจะเปลี่ยนใจแล้ววันนี้ไม่เอาอ่ะอ่าอย่างนี้แสดงว่าคุณมีปุริสภาวะคือคุณทิ้งความคิดที่ไม่ดีไปได้นะคุณเป็นปุริสภาวะขึ้นมาแต่ถ้าความคิดที่ดีเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปุริสภาวะแต่คุณไม่รักษาให้ได้ให้มั่นคงให้เหนียวแน่นนะจิตคุณก็จะกลายไปเป็นอิทธิภาวะ ันก่อนจะอยากได้ร่างเป็นผู้ผู้ชายหรือได้ร่างเป็นปุริสสะเนี่ยคุณต้องทาสภาวะจิตมโนกรรมแล้วก็ไล่ามาวจีกรรมกายกรรมถึงจะได้นะครบพร้อมสมบูรณ์เอาวันนี้ของฝากไปเท่านี้